แล้มาปีนี้จะมาคือไปอยู่ที่วัดพระธาตแสงเทียนตั้งแต่แรกเป็นพระธาที่เขาสร้างไม่เสร็จามาก็เลยไปสร้างสวมทั้งแต่ปีสี่พระธาตแสงเทียนเสร็จแล้วก็มาสร้างสรากรรมฐานถวายหลวงพ่อพอสร้างถวายสร้างสรากรรมฐานที่ไม่เสร็จดีก็มาสร้างพิพิธภัณฑ์ถวายหลวงพ่อพอทั้งพิพิธภัณฑ์เสร็จก็มาทํารูปสิบห้าจังหวะที่เรายกนี่นะเป็นรูปหล่อทองเหลืองสิบห้ารูป แล้ตอนนี้ก็กําลังให้เขาแกะสลักเกี่ยวกับประตูหน้าต่างที่เป็นภาพคือตรงนั้นตั้งใจจะให้เป็นศูนย์การค้นคว้าเรื่องของการเคลื่อนไหวทั้งหมดในวิธีการพวงเทียนนะเพื่อตอบแทนบุญคุณท่านเพราะทำไมเองนั้นถ้าไม่พบหลวงพ่อเทียนปนณณิคงตายกระดูกเป็นเท่าเป็นฐานไปหลายฝีแล้วนะแต่พบท่านโอกาสเลยรอดมาคุยกัน อันนั้นท่านก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ทํางานช่วยท่านต่อก็เลยทําสถานที่ตรงนั้นเป็นบนภูเขาตั้งใจว่าเป็นพระธาตุแสงเพียรก็เลยเอาพระธาตุของท่านไปบรรจุที่นั่นนะมีศาลาปฏิบัติสําหรับวิธีการของท่านมีที่พักมีพิธีพันธ์ที่เก็บบรรจุภาพประวัติผลงานของท่านทั้งหมดแล้วก็บรรจุพระอัฐิ แล้วตอนนี้ก็เลยสร้างองค์ mm hmm. พเ็เทียนองค์ mm hmm. งงเท่าองค์เต็มตัวนะแต่ส5บหภาพเนี่ยองค์สร้างครึ่งหนึ่งแล้วก็เต็มตัวนี่ก็มีเท่าองค์จริงคือทั้งหมดทั้งปวงนี่วันนี้เอาเรื่องนี้มาพูดไม่ใช่มาเรีลยลล่นะแต่มีเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วที่จะสร้างผมพ่อมีบา ร, รมีสูงมากถ้าคิดว่าจะทําอะไรก็จะมีคนมาจัดการให้เลยเอามาก็เลยบอกว่า ถ้าค น, นจะมาจัดการให้มันเยอะไม่เอาต้องคนที่ปฏิบัติแล้วจะรับว่าจะสร้างไอ้หลวงพ่อคนที่ปฏิบัติแบบหลวงพ่อแล้วคนที่ยังไม่ปฏิบัติวิธีการอันนี้ก็ยังไม่รับเพราะว่าวิธีการของพ่อเทียนค่อนข้างเป็นอะไรบางอย่างเข้าใจยากถ้าเราไม่เข้าใจแล้วถ้าเกิดความหวั่นไหวศรัทธาหวั่นไหวขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เป็นบุญทีนี้เราก็เลยให้สร้างให้ปฏิบัติก่อน ย่าอยู่มึงเก็ติดอารมณ์อะไรหลวงพ่อเขาเจอไหว้ทานการศรัทธาแต่อั น, นิีศรัทธาในวิธีการหวเทียนเป็นศรัทธาค่อนข้างยากการที่เราจะมานั่งยกมือเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ของง่ายเนาะมานึกถึงสมัยที่พบหลวงพ่อเทียนครั้งแรกที่วัดสวนแก้วเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะยกมือนะแล้วตามมาอยู่กับท่านที่วัดสนามในก็ยังไม่กล้าที่จะยกมือจนกระทั่งช่วงหนึ่งนะ่ยมันเกิดวิกฤต คือในช่วงนั้นเรามาอยู่วัดไปอยุระวงสาวาทเนี่ย้าไปปฏิบัติกับท่านทั้งท่านที่ทํางานท่านที่เรียนอยู่หน้าที่การงานมากมายแต่ว่าไปฟังหลวงพ่อแล้วมันมีอะไรที่กินใจที่เราทิ้งท่านไม่ได้ก็เกิดช่วงนั้นเป็นช่วงที่เตรียมสอบเลยสอบมหาจุฬาเอยสอบวิชาชุดครูเอยสอบบาลีเอยสอนหนังสือบาลีเอยสอนพุทธศาสนาบริษัทสี่ห้าอย่าง พอหละยอย่างมาประเดะดังกันเข้าก็เกิดการคอือช่วงนั้นกรรมาฐานทางสายอื่นก็ปฏิบัติด้วยนะพอเรียนมหมาชุวลาเนี่ยเขาบังคับให้ต้องฝึกหนอด้วยก็ทาหนอ <c oughs> ก็ทาหนอแล้วเวลาคุณไม่ต้องกลับอีกเสียงวิกกีใช้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เลยต้องอใช้วิธีการหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปช่วยคือก่อนหน้านี้ทำแบบส่วนโมกมา สองสามปีน่ามาทําหนออีกปีหนึง่งเมื่อมาทําแบบพลังวัฒน์เทียนก็เลยมันไปชนไปตีกันกับกรรมาฐานเดิมจากการนับลมหายใจการทําหนอเนี่ยแล้วก็มาทําแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันรับไม่ได้นะจนกระทั่งมีวิกฤตอย่างที่ว่าเนี่ยทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็ปรากฏว่ามันก็ปวดเสียนเวียนกล้าวก็เลยไม่มีทางออกอหัวหมุนติ้วติューติューเลยนะ ก็เลยนึกถึงว่าเออหลวงพ่อบอกให้สร้างจังหวะแล้วลองลองสร้างดูนะทําได้ประมาณสักหนาทีไอ้สิ่งที่หัวหมุนติ้วๆได้เรื่องราวต่างๆมันหายวับไปเลยหัวเลยโล่งเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่ในหัวเลยนะก็เลยตั้งใจทํำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะแต่อย่างยังไม่ทิ้งเดินจงกมแบบหนอนะเดินจงกมที่จังหวะเนี้หกจังหวะเนี่เดินจงกรมมันรู้สึกหายสาเลย มันเท่ดีนะเป็นกรรมฐานดีทีนี้วันหนึ่งกําลังเดินเลยนี่หลวงพ่อถามว่าออนี่ถ้าสมมุติว่าควายเข้ารั้วเข้าสวนท่านถ้าจะเดินไปไล่ควายอย่างนี้จะทันไหมเนะี่ยเออพราไม่ทันหอวงพ่อทําไงอ่ะก็ต้องวิ่งไปให้ไวที่สุดเออนะกรรมฐานก็ทําอย่างงั้นแหละว่างั้นไปให้มันทันเวลาไปให้มันทันการก็เลยกรรมฐานหลวงพ่อเทียนได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกรรมฐานไล่ควายว่างั้นเดินเช่าเช่าเช่าเช่าไเลยนะ ซึ่งมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่ทำได้ยากอ่ะเพราะเราเคยติดรูปแบบกันมาหลายศตวรรษถ้าคนไหนไม่ได้นั่งขาขวาเท้าขาซ้ายมือขวาเท้ามือซ้ายตั้งตัวตรงดํารงสติมั่นกําหนดลมสติหายกําหนดสติตามลมหายใจเข้าออกถ้าไม่ทํารูปแบบนี้นะไม่ใช่กรรมฐานใช่ไหมที่เราติดกันมาทีนี้เออนั่งยกมือแล้วก็เดินจงกรมแบบวัยวัยี่เป็นกรรมฐานที่ตรงไหนทําให้เรา ห้องใจอ่ะนี้ต่อมาก็มีแรงบันดาลใจหลายๆอย่างโดยเฉพาะเพื่อนครูบาอาจารย์รุ่นรุ่นพี่ได้เห็นอาจารย์โกวิดได้เห็นคุณหมอพระเวศได้เห็นคุณหมอเอเอดร์ลวีภาวิไลคุณหมอกำจนมนมโนปิจุกสมัยนั้นนะนะเข้าไปปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนเอ๊ะแล้วบุคคลเหล่านี้เป็นใครแล้วเราเป็นใครทาไมเราฝืนอยู่คนเดียว น, นะ ก็เลยเริ่มทําโดยเฉพาะคุณหมอประเวศวสีเนี่ยเขาเข้าไปเก็บอารมณ์ที่ไหนเลยนะในวิธีการหว่อเทียนเนี่ยคุณหมอมนุนเนี่ ย, ยทั้งสามีภรรยาไปชาวเย็นกับเสียงมันหอนเนาะหอนไหมหช่วยปรับนิดหนึ่งก็เลยว่าพอทําไปทํามาเนี่ยมันมันเพิ่งเข้าใจว่าเราทํากรรมฐานเนี่ยเพื่อความสงบเมื่อเน้นความสงบแล้วมันก็เป็น ตัวสมถะไปโดยธนุมัตาิ 90% น่ะกรรมฐานในประเทศไทยเราก็บอกว่าเราเป็นวิปัสสนานะเราสอนวิปัสสนาแต่ว่ า, ามันทำเป็นการสะกดกจิตจนกระทั่งอามาไปอยู่หลงพอเทียนได้ถึงเป็นปีแล้วนะก็ยังไปทํหลวงไปทาความสงบกับลมหายใจอยู่หายใจเข้าตามดูหายใจออกตามดู ทั้งที่เก็บอารมณ์ปฏิบัติแบบหงพ่เทียนแล้วเนี่ยเดีวเวลานอนก็อดไม่ได้จะทำอนาปาทีนี้มาอยู่ช่วงหนึ่งพอตามลมหายใจเข้าไปมันหายวุดิไปเลยลมหายใจพอลมหายใจหายวุดตัวเลยแข็งทื่อเลย<ม>ก็ ด, ไไดิ้นไม่ได้ไม่ต้องใช่แล้วถือถนัดกว่า ป, ปั๊บอ๋อเหอว่าเวลาสาธิตเนา ะ, ะโอเคคุณฉลาดมากคุทอทุกครั้งทั้งสาธิตข้างมือทีละข้างนะเสร็จแล้วก็เลย เอาผลนั้นเนี่ยคืนนั้นทั้งคืนนะตอนดูลมหายใจแล้วนอนอนไม่ได้เลยถ้านอนเมื่อไหร่ก็เหมือนนะหลับตาปั๊บเหมือนก็เราหาะพุ่งไปในอากาศเราจะลุกตื่นขึ้นมาเอามาทําใหม่จนคืนนั้นทั้งคืนเนยเราจะยืนก็ตัวแข็งได้เราจะนอนก็ตัวแข็งได้แต่เราไม่เดินเราจะนั่งก็ตัวแข็งเข้าได้ตลอดที่ตอนเช้ามา เราก็รีบไปหาหลวงพ่อเทียนด้วยความดีใจว่าเออเราคงจะบรรลุธรรมแล้วใช่ไหมก็คิดอย่างนั้นนะที่ว่าคงจะบรรลุธรรมไปรายงานหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนบอกว่าที่คุณทํามาเนี่ยผมทํามาแล้วแต่คุมสอนได้ด้วยท้าให้ภายในเดือนเดียวเนี่ยคุมสอนได้อันนี้คือการสะกดจิตตัวเองโอ้โหไอ้ใจที่มันพองนะมันหายเวอร์ไปเลยบอกถ้าขืนคุณคืนทําต่อไปจิตของคุณจะ อ, อ่อนเพราะจิตถูกสะกดไว้นานเกินไป เมื่อจิตคุณอ่อนแล้วมันจะไม่รับอารมณ์ตามปกติมันจะหลบแล้วคุณก็จะไปติดสมาธิคือหมายความมีอะไรก็หลบอารมณ์ไว้ก่อนไม่กล้าสู้ไม่กล้าไปเชิญอันนั้นคือเหตุผลว่าเพราะเหตุไรจึงสมาธจึงไปสู่อริยะผู่มไม่ได้ไปติดแค่พรม่มเพราะจิตอ่อนเพราะหลงในการติดสงบมานานบอกว่าในกรรมฐานประเทศไทยเป็นอย่างนี้หมดแต่วิธีกรรมฐานแบบวิปัสสนานเนี่ยเราไม่ต้องการความสงบหรือความไม่สงบ แต่เราต้องการจะรู้ว่าความไม่สงบมันมาจากไหนความสงบมันเกิดมาจากไหนให้รู้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในตัวของเราเนี่ยให้ตามรู้มันว่ามันมาจากไหนเพราะทั้งหมดมันเป็นสมุทัยคือมีเป็นเหตุที่จะให้เกิดตัวอะไรต่ออะไรไปเนี่ยต้องตามดูมันเกิดมาจากไหนนั่นหมายความว่าจะต้องไปสร้างตัวตื่นรู้ถ้าเราไม่ตื่นไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมาจากไหน อย่สมมุติเรานั่งนานๆเนี่ยความหนักขาปวดขาเกิดขึ้นไหมเราเคยตามดูนั่นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นความเคยชินทั้งหมดเลยแม้กระทั่งชีวิตจริงของเราพอเรานั่งนานๆจะปวดขาปวดแข้งปวดขาแล้วก็ปวดหลังปวดไหล่ไปตามลําดับใช่ไหมไม่ว่าทั้งกายและทั้งใจเบื้องแรกเนี่ยให้ตามดูก่อนให้ตามดูทั้งกายทั้งใจว่าถ้าเราตามสามารถตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นในจกาย เป็นส่วนใหญ่เบื้องต้นเนี่ยมาจะแบ่งกันนะว่าในอารมณ์กรรมฐานหลวงพ่อเทียนเบื้องต้นเรียกว่าให้ดูรูปนามโดยสัญญาถ้าดูรูปนามโดยสัญญาเป็นเบื้องต้นที่สุดนะสำหรับบิก๊กนอร์ที่สุดเลยเมื่อดูรูปนามสัญญาเป็นแล้วต่อไปทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าตัวรูปนามโดยสัญญามันจะเกิดเป็นปัญญาสัญญากับปัญญานั้นต่างกันยังไง สัญญาหมายความคอยกระตุ้นคอยกำหนดค่อยตามรู้ระลึกได้ค่อยตามระลึกแต่โดยปัญญามันมันค่คอยๆระลึกได้เองมันเริ่มเป็นปัญญาแล้วค่อยเรืลึกไเองไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นอารมณ์ร um ูปนามจึงมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นในกายนาะกายเคลื่อนกายไหวทั้งหมดท่านกำหนดไว้ทั้งหก ห, ห 6, 6. สิ่งที่เกิดขึ้นในกายของเราหกหมวดท่านให้ตามดู อันที่หนึ่งที่ตามดูง่ายๆที่เราทำคนทั่วไปคือตามดูอะไรตามดูลมหายใจใช่ไหมหายใจเข้าออกให้ตามดูแต่ไม่ใช่ไปตามดูว่าพุโทโธส ม, มหาหลังอยู่บนห้องนอนตามดูมันเข้ายัางไงออกอยังไงเข้าลึกแค่ไหนออกยาวแค่ไหนตามดูอันนี้ให้ตามดูเฉยๆอันที่สองให้ตามดูว่ายืนเรายืนขณะยืนเนี่ยมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับเราขณะเราเดินความรู้สึก ที่เกิดขึ้นกับแข้งขาเท้าของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเวลาเรานั่งถ้าแต่นั่งลงไปเนี่ยาทับอะไรลงไปบ้างเราเวลานานไปเนี่ยการนั่งไปยังไงมันคงที่ไหมคงเดิมไหมแล้วเวลาเราเดินอันที่สองตามดูการยืนเดินนั่งนอนนะตามดูการันที่สองอันที่สามให้ตามดูว่าในขณะนี้การยืนการเดินการนั่ง การนอนเนี่ยอย่างอาตมายืนเนี่ยอามาทําอะไรบ้างพูดใช่ไหมตามดูลิ้นที่มันกระดกไหมตามดูปากที่มันเพรียวพะยากไหมแล้วตามดูหมุนซ้ายหมุนขวาไหมได้ตามดูไหมอันนี้เขาเรียกอีริบท ย, อย่อยเรียกว่าสัมปชัญญะประภาและในขณะที่เราตามดูเนี่ยเราเคลื่อนไหวด้วยอํานาจของอะไรตามบุติร่างกายมันเคลื่อนไหวเองได้ไหมไม่ได้ที่มันเคลื่อนไหวได้เพราะ ธาตุอะไรวนเรามีธาตุกี่ธาตุสี่ธาตุใช่ไหมดินน้ำหลวงไฟลักษณะที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นลักษณะของธาตุดาเลยธาลมใช่ไหมอ่าธาตุลมลักษณะที่เรายืนตรงอยู่ได้เป็นลักษณะของธาตุอะไรธาตุดินใช่ไหมเพราะมันหนักตั้งอยู่ได้ถ้ามันล้มไปนี่ก็ดินหมายความว่าดินมันเราธาตุดินนะดินธาตุลมการที่เรา ดินกับลมผสมก็ได้ทำหน้าที่เป็นเพราะอาศัยธาตุน้ำและธาตุไฟธาตุน้ำทำให้เรารู้สึกเย็นสบายใช่ธาตุไฟเรารู้สึกอะไปวดเมื่อยเจ็บเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงพวกนี้เป็นลักษณะของธาตุน้ำและธาตุไฟทีนี้เราก็จะหาไปว่าหาตัวเราเจอไหมหาไปที่ไหนก็เจอแต่ดินน้ำลมไฟแต่โดยที่เราไม่ได้มาดูอย่างจริงจัง เราไม่ได้ดูยอย่างต่อเนื่องเราก็สําคัญผิดคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้หญิงและผู้ชายเป็นเราเป็นเขาเป็น อ, อัตราตัวตนขึ้นมาเมื่อเราเป็นเราเป็นเขามันก็ไปตกไปสู่กันรู้แบบอะไรแบบสัญชาติญาณเมื่อไปรู้แบบสัญชาตญาณขึ้นไว้โดยสัญชาตญาณเราเดินเพราะอะไรเรายืนเพราะอะไรเรานั่งเพราะอะไรนี่เราไม่ได้ตามดูเขาเลยการที่ไม่ตามดูแต่ โดยเราทําไปโดยสิ่งที่ไม่รู้จึงทําด้วยลักษณะของอะไรอะวิชาใช่ไหมคือความไม่รู้ว่าเราการมึงยืนได้อย่างไรเราคงเดินได <c oughs> like. ้อย่างไงนั <tilted. S 1> ่งยังไงนอนได้อย่างไรแล้วเคลื่อนไหวได้อย่างไรเราไม่รู้และขณะเคลื่อนไหวมีอิริบุตรเยอะแยะเปหมดภาพตาปากหายใจใช่ไหมเหลวใสอะไรขวาขมเงยหยิบหยับจับฉวยเยอะแยะหมดแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าแต่ถ้าหากว่าลมหายใจของลดดับไปขนาดนี้อาการทั้งหมดมันจะทําได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมธาตุลมไปก่อนแล้วก็ธาตุดินวอลมเป็นลมปับ๊บเรายู่อย่างนี้ได้ไหมถ้าดินไปแล้วแล้วก็ไออุน่นก็จะเริ่มไปไอเย็นก็จะล่วไปดินน้ําลงไฟดับหมดนี่เราก็เลยโอเราไม่ได้ตามดูสิ่งเหล่านี้เมื่อไปตามดูสิ่งเหล่านี้ปั๊บเราก็เข้าไปสําคัญมั่นหมายการเคลื่อนไหวของดินน้ําลมไฟเป็นตัวเรา จึงเรียกว่าสัญชาติญาณเมื่อสัญชาติญาณแล้วมันก็จะเกิดลักษณะ4อย่างหนึ่งต้องการอะไรอาหารที่จะมาบำรุงศองต้องการที่อยู่อาศัย3ต้องการสืบเผ่าพันธุ์ของตัวเอง4ต้องการหนีภัยเมื่อมีภัยมาใช่ไหมสัญชาติญาณจะนี่เข้ามาทันทีเลยนะ ดังนั้นเมื่อเราดูอย่างนี้ตามดูไปยืนเดินนั่งนอนออขู่เหยียดเคลื่อนไหวเป็นอาการของ1ดูตามลม2ตามดูอาการของท่าสี่สดูอาการของอิริบทสี่สามดูอิริบทย่อย4ดูท่าสี่ดีนะหนูไฟ5ในท่าสี่เนี่ยมันหลวมๆในท่าสี่นี่แยกออกเป็นแต่ละท่านะทําหน้าที่อย่างอื่นเป็นท่าละ8 4 8เท่าไหร่ เราก็มีอาการเรียกว่าอาการ 3.2 มใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังไปเรื่อยๆจนมัทเขยมัทรุงกังเยื่อสมองในกระโหลกศีรษะที่เราสวดมาเมื่อกี้อาการ 3.2 มสท่าสีอาการ 3.2 มสิบสอในท่าสี่ทอาการ32ทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยมันเกิด อ, อะไรขึ้นเหมือนเรยมขับรถมันจะมีท่ออะไรออกข้างหลังท่อไอเสียเพราะอะไรต้องมีท่อไอเสียด้วยเมื่อไหร่ถ้าห่ารถไม่สตาร์ทรถไม่ทางานเนี่ยไอเสียมันจะออกไหม ไม่ออเหมือนกันคนเราเมื่อมีชีวิตอยู่มีการดิ้่งลุนเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันก็จะมีไอเสียออกมาไอเสียเหล่านี้ออกมาจากที่ไหนบ้างอ๋อมาจากทวารทั้ง9้าใช่ไหมอ่าออกมาจาทวารทั้ง9้ออ า, า, า 9. ของเสียจะใช้ว่าปฏิกูละปฏิกูลหรือใช้ว่าอาสุภะไม่งามให้พิจารณาทั้ง6เนี่ยหนึ่งตามดูลมสองตามอยู่อิบอดสีตามดูอิบ 4, 3, ดอด ย, ย่อยสตามดูอาการอาตุสี ห้าตามดูอาการ3 2มกตามดูของเสียเกิดจากร่างกายตามดูหอย่างเนี้ยอันนี้เป็นลักษณะตามดูเอ๊ะมันไปเยอะนะไปตามดูได้ก็งงใช่ไหมทีจะดูยังไงให้เป็นสมถะดูยังไงให้เป็นวิปัสนาถ้าเราดูทีละอาการอาการแล้วก็จินตนาการขึ้นมาเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเป็นอาการยืนเดินนั่งนอนเป็นอาการ 3.2 เป็นอาการปฏิกูลอรุภาพเป็นอาการของลมพวกเนี้ย เราจะดูตามอย่างนี้เพก็สับสนไปหมดทีใช่ไหมเออถ้าเป็นสมถะก็หยิบขึ้นมาดูทีละอาการเช่นเราจะดูธาตุดินก็ทำกรสินดินขึ้นมาใช่ไหมปฏิวีกสินถ้าจะดูเรื่องลมก็เอาไอไวายโยกสินว่จะดูเรื่องน้าก็เอาอาโพกสินว่าจะดูเรื่องไฟก็เอาเตโชกสินขึ้นมาทีละอย่างก็เป็นสมถะอ่ะ แต่ว่าในวิธีการอุบัเทียนท่านเน้นวิปัสนาบุพเพสสะทากันมาตลอดชีวิตแล้วทำกันมาตั้งแต่หลายชั่วคนแล้วพอละท่านว่ามาทําวิปัสนานั้นหมายความว่าต้องย่ออาการทั้ง6เนี่ยให้มันเหลือแค่สองให้มันเหลือแค่2อาการทั้งลมหายใจก็ดีธาตุดีบทสี่ีบทย่อยธาตุสอาการ3ามสิและปฏิกูลทวาเดียดทำให้มันเหลือสองได้ไหม ทำให้มันเหลือสองเหลือแต่อะไรรูปกับนามและในรูปกับนามนี้ถ้าไปดูรูปดูนามดูอาการกายดูอาการใจมันก็จะมีอาการอยู่สองประการดูไปแล้วในะขณะ น, นี้ในตัวเรามีอาการลหลักๆอยู่สองประการมีอาการอะไรบ้างดูใครจะดูออกฮะเออยู่เครื่อมันก็ยังเป็นอาการทางกายอยู่ขณะนี้นั่งรู้สึกสบายหรือไม่สบาย มีสองความรู้สึกคือสบายและไม่สบายถ้าเกิดขึ้นทางกายใช่ไหมและเรายังไม่ได้เจริญสติเป็นเรื่องเป็นราวเราไม่สามารถจะสะกัดกั้นความสบายหรือไม่สบายทางกายเข้าไปสู่จิตได้ไหมไม่ได้เพราะสติยังไม่พอเมื่อไม่สบายเราก็รู้สึกไม่ไม่สบายใจด้วยเมื่อรู้สึกสบายกายก็รู้สึกสบายใจด้วย การที่เราจะต้องมาเจริญสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะสกัดกั้นความรู้สึกสบายไม่สบายทางกายไม่ให้ไปแปรรูปเป็นความพอใจและไม่พอใจนั้นจะต้องมีวิชาละนั้นเวลาเราสวดท่านใช้คําว่าอะไรนะักกายกายานุปสิเวหาติอาตาปีสัมปชญโนสติมาวินัยยโลเกอพิชาถุมณสังใช่ไหมภาษาบาลีเขาพูดเอาไว้ว่า เมื่อเราตามดูกายเนี่ยขยันตามดูเรียกว่าอาตาปีแต่อาตาปีที่ว่าเนี่ยมันควรคําคําว่าตาบะตาบะนี่ขยันเพ่งเรียว่าตาบะใช่ไหมบำเพ็ญตาบะคือพวกนักโพสพวกฤาษีเขาใช้ตาบะแต่ถ้าขยันตามดูว่ามันเป็นอาการอะไรอย่างไรนี้ท่านใช้คําว่าอาตาปีอาตาบะอาตา ป, าตาปีขยันตามดูด้วยลักษณะสองประการที่ใช้ว่าสัมปชัญโนและสติมาบารีท่านระบุไว้เลยนะ ถ้าไปตามดูด้วยอย่างอื่นไม่ใช่ไม่ได้ตามดูด้วยสมาธิไม่ได้ตามดูด้วยปัญญาไม่ได้ตามดูด้วยศีลแต่ตามด้วยดูด้วยสติและสัมปชัญญะเออเมื่อเอาสติสัมปชัญญะมาบวกกันเราเรียกว่าตัวรู้สึกตัวตัวรู้สึกเป็นสติสัมปชัญญะตัวก็คือกายคือรูปของเราตัวรู้สึกที่ไหนรู้สึกที่ตัวคําว่าตัวในที่นี้หมายถึงรูปกับนาม คำว่ารู้นั้นหมายถึงสติสมะเัญญะรู้สึกตัวรู้สึกสติสมะเจนยะตัวหมายถึงรูปกับนามให้มารู้สึกรูปกับนามรู้สึกตัวนี่ย่อหรือมาเหลือสองทันนะจากอาการทั้งรูกายทั้งหกหมวดเนี่ยและแต่ละหมวดก็แยกย่อยไปอีกเยอะแยะนะถ้าเจรนายกันตามหลักวิชาการนะแต่ว่าท่านให้ดูจากของมากให้เป็นของน้อยจากของน้อยให้เป็นของจริง จากมะพร้าวก็ให้เป็นน้ำกะทิจากน้ำกะทิก็ให้เป็นน้ำมันจากน้ำมันก็มาจุดไฟได้จากการจุดไฟได้ทำให้ตาเป็นไงมองเห็นลักษณะการดูกรรมฐานที่เป็นวิปัสสนาก็เหมือนกันจากการดูอาการทั้งหกของกายนะจำได้ไหมทั้งหกเมื่อกี้อะไรบ้างไงดูลมอิโบดีอีโบด ย, ย่อย แล้วก็ธาสีปฏิกูลอ า, อาการ32ทั้งหมดเนี่ยเอาบวกกันเป็นร้อยนั่นแหละใช่ไหมเออในลมพระอนนาจารยนัสติเท่ากับ16ละ อ, อีบอุต่4เป็น20ละอีบทย่อย7ออบุตรย่อยแล้วก็อาการ32 ท้สี่ปฏิกูลปฏิกูลสิบเป็นร้อยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปแยกอย่างนี้ไปเป็นหลักวิชาทั้งหมดเราไม่สามารถจ ะ, จะรู้เรื่องได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงมาให้ดูอาการสองอย่างคือดูกายกับใจกำลังทำอะไรอยู่กายกับใจทำง่ายๆคือมีการมีสองอาการคือการหยุดและการเคลื่อนการหยุดและการเคลื่อน ในการหยุดและการเคลื่อนมีอาการทางกายออกมาเป็นความสบายและความไม่สบายการหยุดการเคลื่อนของจิตออกมาเป็นสองอาการเหมือนกันออกมาเป็นความพอใจและไม่พอใจนี่ทำของมากให้เป็นของน้อยทำของน้อยให้เป็นของจริงดังนั้นขณะนี้ความสบายไม่ไม่สบายนี่ปรากฏจริงไหมในตัวเรา<น>ความพอใจไม่พอใจปรากฏจริงไหมจริงนี่ ก็มาตามดูอ๋อเป็นอย่างนี้เองพอมาตามทำให้เรากลับมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างไม่ลังเลแล้วทำให้เราไปตามดูความเคลื่อนไหวของจิตอย่างไม่ลังเลว่ากรรมาฐานทั้งหมดต้องมาในไม่ว่าตระ ก, กูลไหนก็ตามต้องมาในสูตรนี้ทั้งสมถะวิปัสสนานะเพราะนั้นในวิธีการนี้จึงเป็นการปฏิบัติทั้งสมถะและวิปัสสนาไปในเวลาเดียวกันบอกเออคุณทา สมถะไม่ใช่วิปัสนาเออคุณทำวิปัสนาไม่ใช่สมถะนี่ผิดเพราะจริงๆแล้วสมถะกับวิปัสนาแยกกันไม่ได้ถ้าเราตามดูกายเป็นอะไรสมรถะวิปัสนาถ้าตามดูกายเป็นสมถะถ้าตามดูจิตเป็นวิปัสนาระหว่างกายกับจิตเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยสิ่งไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งบางคราว ส่วนไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวันนี้ต้องสอบความรู้พื้นฐานเชาวพุดธแล้วนะระหว่างกายกับใจเนะี่ยส่วนไหนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่วนนี้ส่วนไหนที่เปลี่ยนแปลงเป็นบางครั้งบางคราวระหว่างกายกับใจใจตลอดเวลาอะไรนะใจตลอดโอ้โหสอบตกแน่นอนเลยนยะ <c oughs> ถ้าใจมันเปลี่ยนตลอดเวลานะมันจะเป็นโรคชนิดหนึ่งเ้าเรียกว่าโรคอะไร โรคจิตเพราะจิตไม่ได้พักมันเหนื่อยเกินไปจนนั้นเป็นโรคอ่ะนะฮะ เ, เพราะฉะนั้นต้องระวังนะพวกที่ไม่ได้พักใจนี่นะเพราะว่าดูให้ดีกายเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรู ป, ป, รปใช่ไหมแต่ตามกฎของธรรมชาติเนี่ยกายต้องเปลี่ย น, ปยนแปลงภายใต้กฎของไตรลักษณ์ใช่ไหมอันนี้จังทุกขังหนาตาตหลอดเวลาที่ไหนมีรูป ที่นั่นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาแต่ใจของเราเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นนามหรือเป็นรูปใจของเราเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นได้ทั้งนามและเป็นได้ทั้งนามรูปเป็นได้นามล้วนและเป็นได้ทั้งนามรูปนั้นหมายความว่าไม่มีส่วนเลือกแล้วใช่ไหมถ้าสมมุติว่าใจของเรากลายเป็นเออเรื่องนี้มันจะลึกไปหรือเปล่า คนใหม่ฟังรู้เรื่องมาขอดูคนใหม่ยกมือขึ้นมีกี่คนทั้งหมดที่มาวันนี้โอ้เยอะมืากันฟังหลวงพ่อรู้เรื่องรึเปล่าเนี่ยรู้ใช่ไหมอาจจะใหม่ที่นี่อาจจะเก่ามาจากที่อื่นใช่ไหมอ่าองนั้นก็ฟังได้ก็แล้วกันนะคือเรื่องจากเรามีเวลาสั้นเราจะพูดเรื่องอื่นไม่ได้ความจริงมีเรื่องพูดเยอะแยะแต่ว่ามไม่จําเป็นแต่จําเป็นขณะนี้คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้จักตัวเองว่าใจหรือนามเนี่ยแบ่งเป็นสองลนะักษณะหนึ่งนามรูปสองรูปนามอ่า หรือรูปนามนามรูปถ้าหากว่าเรามาดูรูปนามจิตของเราเหลือรูป เ, เหลือนามล้วนๆวนถ้าเราไปดูความคิดจิตของเรามีนามรูปปรากฏอ่านี่นะ น, นั่นเมื่อไรมันคิดขึ้นมาเนี่ยมีรูปไหมมีรูปไหมความคิดเป็นรูปใช่ไหมเพราะมันรูปละเอียดเขาเรียกว่า mental picture หรือภาษาเข้า image ใช่ไหมคือจินตนาการขึ้นมานั่นแหละคือรูปในนาำเขาเรียกว่าน้ารูปตัวนั้นเป็นตัวรูปอยู่เมื่อมีรูปอยู่ในน้ำน้ำนั้นจะเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงไปตามรูปอ่าเหมือนน้ํากาแฟกับน้ําเปล่าเอาไปตั้งด้วยกันน้ำสองน้ำเนี่ยอันไหนจะเปลี่ยนแปลงไวอันไหนจะเปลี่ยนแปลงช้าหรืออันไหนไม่เปลี่ยนแปลงเลยน้ำเปล่าขอโทษนะน้ำเปล่าขวดนี้เราทิ้งไว้สักปีหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหม มันบูดไหมมันเสียไหมแต่ถ้าน้ำขวดนี้เป็นน้ำกาแฟตั้งไว้หนึ่งปีมันจะคงเดิมไหมนั้นเพราะมันมีรูปอะไรอยู่รูปกาแฟรูปน้ำตาลแต่น้ำล้วนๆนี่เปรตเสมือนน้ำที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใจของเราก็เหมือนกันมันก็มีสองลักษณะลักษณะที่ปลอมปนเรียกว่ารูปนามหรืน้มารูปถ้าลักษณะที่ไม่ปลอมปลนเลยเขาเรียกว่า นามล้วนๆแต่ขวดนี้เขาเรียกว่ารูปนามความจริงต้องออกมาสาขวดนะหนึ่งขวดเปลา่าสองขวดน้ำใส่สขวดน้ําที่ปลอมปนหรืออาจจะเป็นน้ําอะไรก็ได้น้ํากาแฟเป๊ปซี่โคโราก็แล้วแต่และมันก็มีสามลักษณะจิตของเรามีสามลักษณะหนึ่งถ้าเป็นขวดเขาเรียกว่ารูปนามสองถ้าเป็นน้ําขวดใสๆเรียกว่านามสามถ้าขวดน้ําเป็นขวดน้ําขุ่นน้าเสียเป็นน้ํามารูป เพราะนั้นวันวันหนึ่งเนี่ยเราใจของเราเป็นลักษณะไหนสามอาการเนี่ยเราอยู่กับรูปนามหรืออยู่กับนามรูปหรืออยู่กับนามล้ ว, ลวนๆวีเคราะห์ <c oughs> เราอยู่กับความรู้สึกตัวหรืออยู่กับความคิดหรืออยู่กับความรู้ ล, ล้วนๆพีซมีเคราะห์ตัวเองหน่อยวันหนึ่งคุณอยู่กับระหว่างความรู้สึกตัว ความรู้ล้วนหรือความคิดเนี่ยอยู่อันไหนมากกว่าความคิดซัมบอดี้นะ <laughs> บางคนความคิดมากกว่าซัมบอดี้และสมวันดังนั้นเราก็จะอยู่ความคิดมากกว่านั่นแสดงว่าความคิดของเราเป็นรูปอยู่ใช่ไหม <c oughs> เราควรจะต้องเจริญอะไรถ้ามันเป็นรูปคเจริญสมถะหรือปันสนา <c oughs> ถ้ายังมีความคิดอยู่ <c oughs> ก็เอาสมถะเข้าไปช่วยก่อนเอาสมถะเข้ามาช่วยทําไง ไม่ใช่ไม่ใช่ทำดูไม่ใช่สต้องกลับมาอยู่กับเพราะเราจะเอาอะไรไปแก้รูปให้มันออกจากใจได้เนี่ยสมมุติว่าน้ํากะทิอย่างงี้นะคุณจะเอาอะไรไปแยกระหว่างน้ํา ล, ล้วนๆกับกะทิออกจากกันได้หรือน้ํานมคุณจะเอาอะไรไปแยกน้ํามันจะมีสองส่วนใช่ไหมในน้านมมีน้ําใสอยู่ใช่ไหมแล้วน้ํานมส่วนที่เป็นนมก็คือส่วนที่เป็นแป้งเอาอะไรมาแยกออกมันถึงจะออกจากกันได้อันนี้คือเครื่องมือทาง วิาส์อะไรก็แล้วแต่แต่ระหว่างรูปกับน้ำมาบวกกันเหมือนเหมือนน้านมหรือน้ากะทิเป็นน้าปนหรือ ว, ว่าน้มารูปเนี่ยเราจะเอาอะไรมาแยกออกอบางคนไม่มีเครื่องมือสะกดให้หยุดด้วยก่อนก็นแล้กันไม่มีเครื่องมือสะกดให้หยุดลักษณะที่เรายังไม่ได้เจริญวิปัสนาแล้วเราจาเป็นจะต้องสะกดจิตตัวเองหยุดคิดแล้วก็บังคับจิตให้อยู่กับ ปัจจุบันให้มากที่สุดให้นานที่สุดถ้านามนานเข้านานเข้ า, น า, นขาท่าสติสามั ญ, ญะเจริญไม่ทันลักษณะของการหยุดคิดกลายเป็นภ า, ภาวะที่อะไรเก็บอะไรเก็บกดอันตรายไหมเมื่อเราเก็บกดมากเข้ามากเข้ามาัน ก, ก็กลายเป็นความซีเรียสความเครียดความเกรงใช่ไหมพอเกรงแล้วมันก็มีปัญหาต่อร่างกายและระบบประสาทและสมองทีนี้เมื่อเมื่อเป็นวิปัสนาเมื่อเป็นวิปัสนาเราก็จะต้องหาวิธีว่า เอาน้ำเนี่ยมาแยกรูปออกจากกันได้ดังนั้นตัวความรู้สึกตัวเป็นนามหรือเป็นรูปความรู้สึกตัวเป็นได้ทั้งนามและเป็นทั้งรูปเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาแต่แบบความรู้ล้วนๆท่านใช้คาว่าตัวรู้นะเรากำลัลงลำดับว่า ระหว่างเราที่มีความรู้สึกขณะนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งตึงเนี่ ย, ย, ออ เ, ยเรียกว่ารูปนามใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าไปคิดว่าเออขณะนี้เราปฏิบัติธรรมขณะนี้เราทำโน้นทํานี่ปับ๊บความคิดมีสมลักษณะหนึ่งความคิดที่เกี่ยวกับรูปกับ น, นามณปัจจุบัน2ความคิดที่เราตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสจิตรับรู้สิ่งที่มากระทบเป็นความคิดที่เป็น ทรอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติ3ความคิดที่ตั้งใจว่าเราตั้งใจฟังคนพูดตั้งใจพูดก็ออกกลั่นออกมาเป็นความคำพูดใช่ไหมยิยมตั้งใจฟังก็กลั่นออกมาเป็นความเข้าใจความคิดชนิดนี้เรียกว่าเป็นสติปัญญา 1. ความคิดที่เป็นรูปนามหรือเป็นนามล้วนๆสองความคิดที่เป็นสติปัญญา สามความคิดที่เป็นอวิชชาคือไม่สามารถจะตามรู้ทั้งสองอย่างความคิดทั้งที่เป็นสังขารใชว่าสังขารนะคือสังขารสติปัญญาและธรรมารมณ์ความคิดที่เป็นธรรมา ร, รมณ์ก็เป็นธรรมชาติความคิดเป็นสติปัญญาเป็นเจตนาที่เราต้องการใช้ในชีวิตประจำวันและความคิดเป็นสังขารอันนี้คือเกิดจากการที่เราไม่มีสติโดยเฉพาะเราไม่มีสติสัมยะควบคุม ในการใช้ความคิดสองประเภทตามทันไหมความคิดมี3อย่างหนงความคิดที่ตอบสนองตามธรรมชาติที่มากระทบภายนอกภายในกระทบกันก็ตอบสนองใช่ไหมเรียกว่าธรรมารมสองความคิดที่เราตั้งใจจะทําอะไรสักอย่า ง, งแล้วก็ทําตามนั้นเรียกว่าสติสัมปญญาหรือสติสัมปชัญญะสความคิดที่มันเกิดขึ้นมาลอยๆคิดลืงนั้นบั่งลืงนี้มั่งความคิดทั้งสประเภทเนี่ยในชีวิตจวันของเราเนี่ย อันไหนมีมากกว่าประเภทไหนประเภทที่สามใช่ไหมคือสังขารและจิตเนี่ยตัวนี้เป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์เป็นเป็นขเขาเรียกนามรูปนะเป็นนามรูปคือเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ดังนั้นเราจึงมาปฏิบัติเพื่อที่จะมาจั ด, จดการกับความคิดประเภทที่สามประเภทที่หนึ่งที่สองไม่มีปัญหามันช่วยเราได้ซ้ําไปความคิดประเภทที่ อะไรกระทบมาเราก็ตอบสนองเราแลสปอนไปตามความเป็นจริงนั่นเป็นธรรมารมถ้าคนไหนไม่มีธรรมารมเลยเนี่ยนิ่งอย่างเดียวไม่คิดเนะี่ยผิดปกตินะที่ไม่คิดเนะดี่ยหรือบางทีเขาถามอะไรมาไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยก็ผิดปกติใช่ไม้มไม่ตอบสนองตามธรรมชาติตามความเป็นจริงนะแล้วก็อันที่สามนั้น เราก็จะต้องเรียนท่านใช้คําว่าสมุทยัยความคิดประเภทที่หนึ่งที่สองเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของจิตนะดังนั้ น, นเวลาเรามาเจริญสติเจริญสมาธิเราก็จึงจะต้องให้เข้าใจสองอย่างนี้ก่อนว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรหนึ่งปฏิบัติเพื่อตามดูชีวิตของตัวเองตามดูจิตใจตามดูชีวิตคือในรูปของตัวเองตามดูเพื่ออะไร เพื่อให้เห็นว่าความทุกข์นเกิดจากอะไรเย็นแร้วนอนแข็งเค็่งตึงพวกนี้เป็นความทุกข์ใช่ไหมความทุกข์ทางกายความหนักน่วงทวงทับความอึดอัดความแสบความคันความไม่สบายทางกายเนี่ยเราตามดูตามดูเพื่อไม่ให้ความทุกข์นั้นเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นถ้าความไม่สบายทางกายเพิ่มขึ้นมากกว่าทั้งที่เรายังไม่ได้เจริญสติเราก็จะรู้สึกหมุนหงิดลำคาญ รู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึกไม่สนุกรู้สึก อ, อยากจะนอนรู้สึกง่วงพวกนี้นะความรู้สึกเหล่านี้มันก็จะมาถ้าเราไม่ตามรู้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นสั้ษณะของการตามรู้เราก็จริงจังนิดนึงว่า อ, อขณะนี้ฉันนั่งอย่างนี้ฉันทำํำนี้นหายใจเป็นไงลึกพอไหมผ่อนคลายไหมการสํารวจตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาที่มันกําลังจะเกินไปเนี่ยทางกายที่จะรับได้ถ้าหากมันเกินไปด้วยความม่รู้สึกตัว อาการของความไม่สบายที่ไปสู่จิตมันจะออกมาเป็นความเบื่อความขี้เกียจความเซงความไม่สนุกแล้วความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านมันจะออกมาในรูปแบบนั้นนั่นหมายความว่าความไม่สบายที่มันเกินลิมิตที่กายจะรับได้มันก็จะเข้าไปสู่จิตแต่ถ้าเรารู้ตัวเสก่อนว่าเออความไม่สบายระดับนี้แล้วเราพอแก้ไขได้ปรับได้แล้วก็ปรับออกไปความรู้สึกไม่สบายทางกายมันก็จะไม่โหลดไม่หนักที่จะเข้าไปท่วมทับจิต ลักษณะที่เข้าไปตามดูอาการอย่างนี้แบบนี้เรียกว่าปฏิบัติสมถะที่เอื้อต่อวิปัสสนาเพราะสมถะมีสองแบบหนึ่งสมถะแบบพุทธสองสมถะแบบพรามสมถะแบบพรามใช้วิธีสะกดใช้วิธีบังคับใช้วิธีหยุดและใช้วิธีหาอุบายอย่างอื่นมาทำแทนสมมติว่าจิตเรากาลัลงคิดไม่ดีใช่หหาเรื่องดีมาคิดแทน อันนี้เป็นสมถะคือเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนรูปยังเวลาเราปฏิบัติไปเกิดความกำนัดยินดีท่านบอกว่าเออไปพิจนาอะไรอสุภระอย่างเงี้นะหรือเราปฏิบัติไปรู้สึกห ง, งุดหงิดให้คนา น, านั้นหงุดเรานึกแผ่มเมตตาเข้ามาแทนอันนี้เรียกอุบายทางสมถะไม่ใช่วิปัสนาเพราะเอารูปดีมาแก้รูปชั่วเอาน้ำใสมาไลาน่น้ำขุน ยังไม่เป็นวิปัสนายังเป็นสมถะอยู่เอาอารมณ์ดีมาแก้อารมณ์ที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นการกบเกลื่อนหรือเปลี่ยนเรื่องซึ่งเราส่วนใหญ่ใช้กันลักษณะ น, นี้เป็นไซโคโลจีอยู่คือยังเป็นด้านจิตวิทยาไม่ไม่ไม่ใช่เป็นวิปัสนาเป็นจิตวิทยาคือชาวโลกเขาที่เขายังไม่เรียนรู้วิปัสนาเขาก็ใช้อุบายนี้ในการแก้ไขปัญหาใช่มคือจับ แกเอาความคิดมาแก้ความคิดอะ่ะเอาความดีมาแก้ความชัว่วเอาความถูกมาแก้ความผิดเอาความใสามาอลไความขุ่นอะไรพวกเนี้ยเป็นอุบายทางวิปัสนาแต่ทีนี้ถ้าวิปัสนาละ่ะสมมุติว่ า, าน้ําเราขุ่นปั๊บ เ, เททิ้งไปหาน้ําใสมาอันนี้เป็นอุบายทางสมถารวิปัสนาทันไม่ทันไหมทันนะถ้าเราเออเนี่ยเทน้ําใสแก้วมาโจก โอ้มันเป็นขยะเททิ้งเทใหม่อันนี้แก้ปัญหาโดยสมถะวิปัสนาสมถะให้สมถะนะอ่าเพราะมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการทําสมถะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถามว่าถูกรึผิดไม่ถูกแร้วไม่ผิดเพราะมันคือวิธีแก้ปัญหาสมมติว่าเร า, ากําลังปวดหัวอย่างเงี้ยทำไงก็ไม่หายก็ไปกินยาแก้แบบสมถะหวิปัสนาสมถะ คืออะไรก็ได้ไปดับเหตุที่มันสำคัญแรงๆถ้าไม่รีบแก้ขนนั้นปัญหามันจะวิกฤตไปมากกว่านั้นเพราะนั้นสมถะคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นๆต้องมีนะวิปัสนาคือการแก้ปัญหาระยะยาวรู้ว่าน้ำเนี่ยถ้าหากว่าใส่ไปแล้วไม่มีอะไรปิดมันจะต้องมีอะไรมาตกใส่สองน้ำก่อนที่จะเอาใส่เข้าไปเนี่ยถ้าหากว่าในแก้วไม่สะอาดมีอะไรบางอย่างไม่สารวจตรวจสอบน้ามันก็ต้องมีการปลอมปน วิธีแก้ก็คือหนึ่งคุณจะต้องล้างแก้วให้สะอาดสองพอเสร็จแล้วร้อยคุณก็เผื่อว่าไม่มีดัสไม่มีฝุ่นตกลงไปเราหางี้มาปิดอย่างงี้นะน้ำก็จะสาดอยู่ตลอดอันนี้คือวิธีของวิปัสสนาคือรู้เหตุของมันว่ามันจะขุนเพราะมันจะเสียเพราะอะไรแล้วไปแก้จุด น, นั้นวิปัสสนาก็คือเมื่ออย่างเงี้ยมันขุนแล้วมันเสียแล้วจะแก้ยงไงก็ไปแก้จุด น, นั้นเป็นวิปัสสนาร่างกายเนี่ยเราแก้ด้วยสมถะเพราะว่าร่างกายมัน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมแต่จิตใจมันเปลี่ยนแปลงเป็นบางครั้งแต่จิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นบางครั้งเพราะอะไรเพราะสติสัมยะเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะไปสกัดกัน้นความทุกข์ที่เกิดกับใจกับกายเนี่ยมันมากสติสัมยะไม่พอที่จะไปสกัดกั้นได้มันลักษณะเขาเรียกโอเวอร์โหลดนะมันรับไม่ไหวก็ไหลเข้าไปสู่จิตจิตก็จะมีอาการ สบายแล้ไม่สบายสุขแล้ทุกข์เพราะนั้นเราต้องทำทั้งสมถะวิปัสนาฝึกสมถะไว้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าฝึกวิปัสนาเพื่อป้องกันปัญหาระยะยาวเป็นการดึงไม่ใช่ตัดยาแต่เป็นการถอนยา <c oughs> อันนั้นเรื่องนี้เราจึงเคลียร์เบื้องต้นให้ให้ชัดก่อนว่าเรากาลังทาอะไร <c oughs> ดังนั้นเองเราก็จะต้องเข้าใจประเด็นนี้แล้วแล้วก็เออตอนนี้ฉันจะไม่บอกว่าเออคุณกําลังปฏิบัติสมถะนะคุณกําลังปฏิบัติวิปัสนาเราจะไม่บอกอย่างนั้นว่าคุณไปสมถะแบบพูดหรือแบบพราหมณ์ถ้าคุณทําสมถะแบบพูทธโอเคคุณทําวิปัสนาไปในตัวถ้าวิปัสนานี่เป็นพูดอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าค้นพบวิปัสนาเพราะสมถะมีมาก่อนใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็หลงไปทําสมถะกับ อรูสีชีพัยอาราดับุตรทกข์พระท่านหลายหกปีใช่ไหมแต่ท่านมาค้นคพบวิปัสนาคือหมายความว่าลำพังของจิตเนี่ยมันสาท้องมันโดยธรรมชาติดูรู้นี่นะอาจโดยธรรมชาติแต่ว่าเมื่อเราจัดการกับเวทนาทางกายไม่ถูกต้องหรือจัดการไม่เป็นตัวเวทนาทางกายก็ต้องไปสร้างเวทนาทางจิตคือความพอใจและไม่พอใจ เช่นถ้าความสบายไม่สบายทางกายเรีย ว, ว่าสุขกเวทนาทุกกระเวทนาใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้ฝึกฝนเรื่องตัวรู้สึกตัวเราจึงไม่สามารถจะเอาตัวรู้สึกตัวเนี่ยไปควบคุมไปแก้ไขความสบายหรือไม่สบายให้อยู่ในขอบขีดที่จํากัดได้เพราะอะไรความสบายไม่สบายทางกายมันมีการตกไปอยู่กฎของอะไรอันนี้ยังคงขังนัตตาเพราะนั้นส่วใหญ่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงในทางดีหรือไม่ดี ถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยเปลี่ยนทางดีหรือไม่ดีไม่ดีคุณไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยคือเปลี่ยนแปลงในทางไมดีคุณเทน้ำโจ๊กเนี่ยมันมีไหมมันไหลขึ้นมีไหมไม่มันไหลลงเท่านั้นใช่ไหมเรานั่งเฉยๆมันสบายขึ้นเรื่อยๆมีไหมไม่มีนี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงธรรมชาติถ้ามันเป็นไปเองแล้วมันเปลี่ยนไปสูอ่อา น, นิจังมันจะมีทุกขังยัไงไงคือความอา น, นิจังเปลี่ยนไปสู่ทุกขังทุกขังเราทนได้ไหมทนไม่ได้เป็นอนัตตาแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอด แต่การที่เราไม่ได้ฝึกฝนเรื่องสติสมญยะเราจึงไม่สามารถใช้อ น, นิจังทุกขังนาตาเนี่ยให้เป็นอุบายกรรมฐานได้ดังนั้นในวิธีการวงพอเทียนจึงเราจึงมาฝึกตัวรู้สึกตัวทั้งที่ทเป็นสมถะและวิปัสสนาการรู้จักบำบัดความรู้สึกไม่สบายทางกายเพื่อไม่ให้ไปสร้างความไม่สบายใจ สามารถที่จะปวดได้แต่ใจยังสบายอยู่เหมือนเดิมสามารถที่จะหนักหน่วงเจ็บขนาดไหนก็ใจยังสบายอยู่เหมือนเดิมนั้นแสดงว่าเรามีสติสมรยะสะกัดกัน้นทุกเวทนาทางกายได้แยกเวทนาออกได้เออวทนาทางกายนะไม่ให้เวทนาทางกายคนสมัยก่อนเวลาเขายิงกันเขาลบกันเนี่ยเขาก็ผ่าตัดโดยที่ไม่ต้องมียาสลบไม่ต้องมีหมอใช่ไหมก็จะผ่าตัดกันเฉยเพราะเขามีสมถ t สูงแยกความปวดทางกายก็ไม่เข้าไปบีบคั้นจิตได้ คนสมัยนั้นเขามีสมถะโดยธรรมชาตินี้เราปฏิบัติวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเข้ามาแยกความรู้สึกทางกายกับทางใจออกให้ชัดว่าความรู้สึกทางกายนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎของการเปลี่ยนแปลงอันนี้จงภูเขาหน้าตาแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นความรู้สึกล้วนๆคือสติสมาธิปัญญาทรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายทั้งปวงเป็นฝ่ายนามแต่ส่วนนาม ที่เป็นอากุศลเนี่ยทํ ท, ทฝ่ายเป็นอากุศลเนี่ยเป็นนามรูปแต่ใ น, นส่วนที่เป็นนามล้วนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกุศลกุศลธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องมาสร้างตัวรู้นะมาสร้างตัวรู้สร้างตัวรู้มีหลายแบบสร้างตัวรู้แบบ <c oughs> ใช้ลมอย่างเดียวใช้สร้างตัวรู้แบบใช้ <c oughs> การเคลื่อนไหวอย่างเดียว สร้างตัวรู้แบบใช้อุบายคำบริกรรมภาวนาประกอบด้วยลมนะ <c oughs> ขอโทษเนื่องจอากมาทำงาน <c oughs> หนักตลอดทั้งปีนะเมื่อวานนี้พาพาัดเมื่อวันก่อนพาพัะปลูกต้นไผ่เนื่องจากว่าต้นไผ่ามไอ้ไรทางเนี่ยเพให้รถเลี้ยวลำบากเรเลยเออขาจัดทางใหม่จะเ เอาต้ไผต้ไนไผ่ออกทิ้งเราก็เสียดายใช่ไหมแล้วก็แยกต้ไนไผ่สาสี่กอนี่ให้เป็นกอเล็กกอน้อยปลูกตามไป ก, ก็ก็ทำงานตลอดนะแต่ว่าเมื่อเราแยกเวทนาทางกายทางจิตออกได้แล้วเนี่ยเราทํางานหนักขนาดไหนไห น, ไหนก็ไม่ทุกข์อ่ะทีเนี้เยเพราะอะไรความไม่สบายกายคือความเหนื่อยคือความเหนื่อยความเหนื่อยไม่ใช่เราความหนักก็คือความหนักความหนักไม่ใช่เราเราจะหนักจะเหนื่อยขนาดไห น, นก็ยังใจยังสบาย เพราะร่างกายพอเราหนักเหนื่อยตอนทำงานเท่านั้นเวลาอยู่ทํา ง, งานมันก็กลับฟื้นเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ใจเนี่ยเวลามันไม่พอใจนั่อย่างหนึ่งมันหาได้ไง่ายไหมโอไม่พอใจใครสักวันนี่พอนั่งเฉยๆเดี๋ยวก็หายฟินไปได้ไหมบางทีดองไว้ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมเพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธเจ้าคือว่าคุณให้เอาความทุกข์ออกจากใจได้แต่กายนั้นคุณจะออกจากมันไม่ได้เพราะกายนั้นเป็นความทุกข์โดยธรรมชาติเพราะมันเป็นสังขาร ก็ไปไปตามกฎของใจรักใช่ไหมอันนี้จังทุกขังนั่ตาต้องคุณจะหนีไปไม่รอดดังนั้นเมื่อเรามาเจริญตัวรู้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยเป็นอิสระเวจากกายอิสระจากความรู้สึกทางกายว่ากายนี้จะมันจะแก่จะเจ็บจะายทุกทรมานขนาดไหนใจก็ยังเฉยเฉยได้ใจยังสบายได้ เมื่ใจของเราสามารถที่จะแยกเวทนาออกได้แล้วกลัวแก่ไหมกลัวเจ็บไหมกลัวตายไหมไม่กลัวเพราะคนที่กลัวไม่ใช่กายกลัวกายเขาเคยกลัวไหมไม่กลัวนะเอาไปเผาไฟเขายังไม่ดิ้นเลยใช่ไหมมือคนตายแล้วใช่ไมเอาเผาไฟเอออย่าเอาเพราะมันไม่เคยทักท้วงอะไรนะเผาไปจนเป็นฝุน่นเป็นผมมันไม่เคยทักท้วงอะไรแต่คนอย่าว่าจะาไปเผาแค่ไปอยใกล้ไฟก็อหดละเนี่ยเพราะใจของเรามันมีส่วน ดังนั้นพพทิชจ้าจึงค้นพบหลักของวิปัสสนาเพื่อที่จะแยกเอาตัวรู้ออกมาจากใจต่างหากเพราะว่าตัวรู้โดยรวมๆเนี่ยมันประกอบด้วยห้าอย่างใช่ไหมก่อนที่จะเป็นตัวรู้ได้โดยรวมห้าอย่างประกอบด้วยอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียบแล้วก็เหมือนน้ากะทิแก้วหนึ่งนะ มีเปลือกมะพร้าวมีกะลามะพร้าวมีน้ำกะทิมีน้ำมันกะทิมีเป็นไฟอามาจุดไฟได้แยกเป็นห้าส่วนเสร็จแล้วเราจะแยกเอาเฉพาะส่วนที่มันเป็นตัวรู้ล้วนๆออกมาถ้ามันเป็นตัวรู้ที่เกิดโดยอายตนะโดยขันห้าเหล่าเรืวิญญาณแต่เวลาเราไปปฏิบัติเราต้องการตัดวิออกตัดวินออกมันเหลือแต่อะไร<ม>เหลือแต่ยานคือเราต้องการเราไปเคี่ยวให้เหลือแต่น้ํามัน แล้วเอาน้ำมันไปจุดให้มันเหลือแต่ไฟไฟมันเหลือแต่แสงสว่างกันออกมาจากน้ำมันกะทิหรือาจากมะพร้าวเนี่ยมันกลายเป็นแสงสว่างได้แสนใดก็ดีจากความรู้ทางตางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยออกมาตัวรู้เพียงตัวเดียวได้นั้นเรียกว่ า, ารู้สึก ต, ตัวเราก็มาสร้างความรู้สึก ต, ตัวใช่ไหมอ่ะเดีไปนี้ลองคนเก่าก็ถือว่าเป็นพี่เลี้ยงคนใหม่คนใหม่ก็ถือว่าเรามีพี่เลี้ยงเยอะแล้ววันนี้เนาะ อ่ะวลองทำพร้อมกันดู